ความเห็นที่ได้บําเพ็ญมาไตรลักษณาานนะญาณปรากฏอยู่แจ่มแจ้งอยู่ในใจหรือไม่คืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละคําว่าไตรลักษณะญาณ น, นะญาณแปลว่าความรู้ความรู้ว่าร่างกายที่เป็นของไม่เที่ยงนะมันแจ่มแจ้งอยู่ในใจหรือไม่ งูง่ายๆความรู้ที่ว่าขันห้านี่มันเป็นทุกข์มันทนเลยยากทนอยู่ไม่ได้นี่มันปรากฏอยู่ในใจหรือไม่ความรู้ที่เห็นว่าขันห้านี่เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอะไรบังคับไม่ได้ ไม่เป็นไปตามใจหวังเมื่อเห็นมันแก่มันเจ็บมันตายก็ไม่ฟังความรู้อย่างนี้นะปรากฏอยู่ในจิตใจมีหรือไม่นี่เป็นหน้าที่เราจะเพ่งดูทำไมเพ่งดูความรู้อันนี้มันก็จะไม่โผล่ขึ้นในเห็น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 ไม่ควรยึดคนถือก็เป็นเราเป็นของของเราจริงๆเพียงแต่ว่าเราอาศัยมันประกอบศาสนกิจกิจเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเรียกว่าเราได้อาศัยขันห้านี่เนี่ยปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า อาศัยขันห้านี่รักษาศีลให้บริสุทธิ์อาศัยขันหานี้หละเจริญสมาธิให้เกิดให้มีขึ้นอาศัยขันหานี่หละเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้เจริญนุ่งเรืองขึ้นในใจถ้าดวงจิตนี่ ไม่ได้อาศัยขันห้านี่ก็ไม่สามารถที่จะบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี่ให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจได้ศีลคือการสัมรวมกายวาจาอย่างนี้นะนั่นแหละเมื่อไม่ได้อาศัยขันห้านี่ไม่ทราบว่าจะเอาอะไรมาสัมรวมกายสัมรวมวาจา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 นี่ดังนี้เนะี่ยจึงว่าเมื่อผู้ฉลาดนะอาศัยขันห้าเนี่ยสร้างบุญสร้างบารมีสั่งสมบุญกุศลให้มันแก่กล้าขึ้นก็ธรรมดาผู้มีสินเนะี่ยอย่าว่าใครเขามาชวนทะเละวิวาทเขาด่ามาเงี้ยก็ไม่ด่าตอบ ขันขืนดาตอบสินก็าขาดสินวาจานี่แล้วใจก็โมหมองด้วยความโกรธถูกความโกรธอันเป็นฝ่ายอากุศลมันครอบงมเอานี่มันเนื่องกันไปหมดเนะี่ยดังนั้นเลยผู้ที่ฝึกตนนะก็จึงไม่พยายามที่จะไปกระทบกระทั่งกับใคร ถ้าไปกระทบกระทั่งเขาแล้วศีลก็เศร้าหมองหรือว่าขาดไปก็ได้แต่ถ้าใครกระทบกระทั่งมาก็ไม่ไม่สู้หาทางหลีกเลี่ยงเพื่อจะรักษาศีล น, นี่ให้มันบริสุทธิ์ไว้มันได้แสนยากกลัวจะมีศีล น, นี่มันก็ต้องฝ่าฟันกับเรื่องชั่วร้ายต่างๆดังกล่าวานี่แหละไปก่อน คือหาทางดลีกเกลี่ยงอดกั้นไม่ส่งเสริมกิเลสเหล่านี้ให้มีกำลังขึ้นดังนั้นจึงเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ได้ก็เมื่อมีศีลบริสุทธิ์ได้แล้วอย่างนี้จิตใจนี่มันกระพ่องแผ้วจิตใจก็ตั้งมัน่นตรงไปพอสมควรทีเดียวแหล ะ, ะถ้าใจไม่ตั้งมัน่น ท่นานไหนแล้วมันจะเอาชนะความโกโรธได้อ่ะมันก็ไปพานทะเลาะกับเพื่อนก่อเรื่องไม่ดีต่างๆนานาขึ้นอ่มันเป็นงนั้นแตเพราะใจมันตั้งมั่นมาเป็นเบื้องต้นแล้วมันจึงเอาชนะกิเลสยำยาบอันนั้นมามาถึงขั้นสมาธิมันก็ไม่ลําบากที่นี่น้อมใจลงสู่ความสงบมันก็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 เมื่อต้องการแสงสว่างเมื่อใดก็ไปกดสวิตคนั่นมันก็สว่างออกไปฉัน้นใดจิตนี้ก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยเมื่อเราฝึกให้มันสงบมันนิ่งอยู่ได้แล้วเวลาต้องการอยากจะรู้อะไรก่อนนึกถึงเรื่องนั้นพอนึกถึงเรื่องนั้น ไอ้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นมันก็จะกระจังขึ้นมาเหมือนอย่างเรากดสวิตช์ไฟสายนั่นเองอเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พากันฝึกอย่าไปปล่อยใจให้มันอ่อนแอท้อแท้มันเกี่ยวกับฝึกนี่ใจนี่มันถึงว่า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 ถ้าเป็นอย่างว่านะั้นก็ไม่ต้องมาทําความเพียรละกิเลสตัณหาอะไรแล้วถ้ า, าว่าตายแล้วกายก็ทูนไปดวงกิดก็ทูนไปออย่างนี้นะพระพุทธเจ้าก็ไม่มีในโลกอันนี้นะไม่มีใครจะมาสอนให้ใครละชั่วทําดีไม่มีใครจะมาสอนให้ละชั่วทําดี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 บุคคลสามารถฝึกให้มันตั้งมั่นลงได้เข้มแข็งได้ละความโลภความโกรธความหลงอะไรได้ละความรักความชังหมนี่ถ้าฝึกให้มันเข้มแข็งแล้วมันละได้จริงๆนะเรื่องอย่างนี้นี่มันเฉพาะตัวใครตัวเราผู้ใดทำผู้นั้นแหละรู้เองอ่ะ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 ผู้ใดฝึกตนไปไม่ท่อไม่ถอยมันรู้เองเยอะยอ่ไม่ต้องมีใครมาบอกหรอกตอนนั้นนะบอกแต่อุบายวิธีอกิเลสตัณหาให้กันเท่านั้นเองนะต่อจากนั้นไปแต่ละคนต้องทำอุบายแยบคายในใจด้วยตนเองก็สามารถที่จะละกิเลสตัณหาได้ ว่าแต่ขอฝึกใจนี้ให้มันตั้งมัน่นให้มันเข้มแข็งลงไปมันสำคัญอยู่ตรงนี้ให้พากันเข้าใจที่นีใจนี้จะเข้มแข็งได้ก็เพราะอาศัยอย่างว่านันะคุณธรรมหลายอย่างคุณธรรมมันสำคัญก็เคยพูดให้ฟังมาอยู่แล้วความ <c oughs> ความอดกั้นทนทานนี่นะ เป็นตะปะทำเป็นเครื่องเผากิเลสตัหาหเบาวางไปเป็นเครื่องสนับสนุนปัญญาให้แหลมคมเข้าไปปัญญาในถ้าขาดขันติความอดทนนี่แล้วมันก็ไม่ไหวเหมือนกันเนี่ยเบ่งันความอดทนหนึ่งความเพียรหนึ่งส ต, ติหนึ่ง